มีผู้หญิงที่คนหนึ่งกระทุกมากมีปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้จึงไปหาหมอดูคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและคนเขาลือว่าทำนายอนาคตได้แม่นยำขั้นพบหมอดูก็นำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอก็ทำนายบอกว่านี่คุณจะต้องลำบากสุขภาพไม่ดีการงานเงินฝืดเคือง ไปอีกห้าปีนะผู้หญิงคนนี้ก็ถามหมอว่าหลังจากนั้นอีกห้าปีฉันจะสบายหรือหมอเปล่าหรอกคุณจะชินไปเองอันนี้หมอตอบคาว่าคุณจะชินไปเองหรือแล้วมันจะชินไปเองเนี่ยเหมาะกับยุคนี้ยุคที่โลกโควิดระบาดตอนโควิดระบาด ใ, ใหม่เนี่ย คนจะใส่แม็กก็อึดอัดมากเลยเพราะว่าหายใจลำบากเดี๋ยวนี้คนก็ชินไปแล้วคนไปไหนกันก็ลำบากเดินทางก็กลัวโรคติดต่อต้องอยู่บ้านวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปไปมาหาสู่ก็ลำบากเดี๋ยวนี้ก็ชินไปเองคนเราสามารถปรับตัวได้กับความเคยชินมีอยู่เรื่องหนึง่งอาจมาชอบอนะอาจารย์สมใจเคยมาเล่าหลายครั้งแล้วมีชายคนหนึ่งก็เครียดมากเลย ทั้งเครียดทั้งทุกข์เบื่อเซงบ้านตัวเองจึงเดินไปปรึกษากับนัดรูดินนัดรูดินแนะทางออกให้ว่าต้องทำตามที่เขาบอกนะอาชายคนนี้ก็ทำตามให้นำลามาไว้ที่บ้านไว้ในบ้านเลยชายคนนี้ก็ทำตามตนเองก็ทุกข์อยู่แล้วเครียดอยู่แล้วพอนำลามาไว้ที่บ้านก็ทุกข์หนักขา้อีกเพราะลาก็เกาอความําคาเน่เดินไปเดินมาอยู่ไม่เป็นสุข เช้าวันต่อมาก็ไปปรึกษานัดรุดินอีกว่าตัวเองทุกข์มากกว่าเดิมนัดรุดินบอกให้คืนนี้นะให้นําแพะกเข้ามาไว้ที่บ้านอีกอชายคนนี้ก็จําใจต้องทําตามถี่หนักกว่าเดิมเอาแพะเอาไว้ที่บ้านเนี่ยเครียดหนักกว่าเดิมเพราะแพะก์กล่าวลาสองตัวก็โหเดินไปเดินมาเพ่นพ่านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทําให้ชายคนนี้นอนไม่หลับไปด้วยวันลุ้งึืนก็ไปหานัดรุดินอีก แลวีแนะนำว่าคืนนี้นะให้นำหมาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยไม่มีทางเลือกชายคนนี้ก็ทาตามทีนี้พอนำหมามาอยู่ในบ้านเนี่ยหมาก็กับแพะลานี่ก็ทะเลาะกันคืนนั้นแม่งนอนทั้งคืนเลยไอ้อะโคมคามชนนู่นชนนี่เครียดหนักกว่าเดิมชายคนนี้ก็ไปหานะัตรดินอีก แล้วก็บทให้ฟังถึงทุก์ที่เกิดขึ้นจากสัตว์สามตัวที่ไปอยู่รวมกันนัตดิบนบอทไหนๆก็เครียดแล้วคืนนี้นะให้นําสัตว์ออกไปตัวหนึ่งให้นำจะแพะออกไปก่อนอชาวันนี้ก็ทําตามเออหลังจากนําแพะออกไปรู้สึกสบายขึ้นหน่อยละวันต่อมานัตดินก็แนะนําให้นําลาออกไปก็ชางนี้ก็ทําตามอีกรู้สึกเออข้อ ย, ยังชั่วขึ้นชีวิตดีขึ้นวันต่อมาให้นำหมาออกไป ตอนน้ชายคนนี้เริ่มรู้สึกมีความสุขแล้วรูึกชีวิตมีความสุขขึ้นซึมาขอบใจนดัดรูินเพราะชายคนนี้เนี่ยมันแบบไม่เห็นคุณค่าของตัวเองที่เมื่อก่อนเคาอยู่มีความสุขไงคือไม่เห็นความสุขแล้วพยายามดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองมีความสุขไงแต่พอศสสามอย่างมารวมกันที่บ้านเนี่ยมันเห็นทุกไงก็เลยเห็นคุณค่าความสุขที่เคยมีไงและยังไม่ใช่แค่นั้นนะนัดรูดินเนี่ยเดินไปที่ตลาด เดินไปที่ถนนเนี่ยก็เห็นชายคนหนึ่งชายคนนี้เนี่ยหน้าตาแบบเซ็งชีวิตเบื่อชีวิตมากแต่งตัวมีฐานะดีจึงเข้าไปถามว่าเป็นไงามาไงาชายคนนี้ก็บอกว่าเบื่อเซ็งบ้านมากบ้านของตัวเองเนี่ยก็มีฐานะแม้จะทำหากินก็อยู่ได้ไม่รู้จะทำไงยิย่งเดินทางมาเนี่ยเพื่อหาความสุขสนานให้ชีวิตมีสีสันขึ้นนัดจูดนีนัดยินดังนั้น ก็ไปพูดพาดําเพลงอ่ะเอาย่ามที่ชายคนเนี้ ว, วางไว้แล้วก็วิ่งไปเลยชายนี้ตกตะลึงนะว่าเอ๊ะอยู่ๆมาโดนขโมยย่ามย่ามนั้นน่าจะมีสมบัติเนอะเนื่องจากนัทดีเป็นคนพื้นที่อจึงรู้รู้ถนนอย่างดีจึงวิ่งหนีเลาะไปเลาะมาแต่เจตนาจริงให้ชายคนนี้แหละวิ่งตามให้ทนันแต่ต้เวนช่วงไว้หน่อยเพราะเห็นว่าที่ทําเลเหมาะจึงเอาย่ามใบนั้นแหละ วางไว้ข้างทางเพื่อให้ชาวเนี้ยเห็นได้ชาวนี้วิ่งตามนัตรูดีมาจนเหนื่อยทีนี้หน้าตาเครียดหนักกว่าเดิมทุกหนักทุกหนักกว่าเดิมแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นญ้าบของตัวเองโอ้ตอนนี้ดีใจมากเลยจากเครียดเมื่อกี้ตะโกนมาด้วยความสุขนัตรุดียังพูดวันนี่แหละคือวิธีสร้างความสุขนัตรูดีเป็นคนแปลกแนละ้ว ทำในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่ทํากันทําให้คิดถึงคนเราเนี่ยบางทีสุขอยู่แล้วแต่อมองไม่เห็นไงอย่างการเดินธรรมยาตาเนี่ยอันมานึกประโยงกับเรื่องนี้ได้เพราะว่าเดินธรรตยถาเนี่ยที่จริงอนุรักษ์ธรรมชาติเราบางก็ดูเราปเป็นเรื่องเด็กๆมันไม่ไม่สำคัญอะไรหรอกอนุรักษ์ธรรมชาติให้แต่ที่จริงจุดประเด็นสําคัญกลายเป็นว่าให้คนที่ไปเดินเนี่ยทุกทุกบางทีไปก็ไม่รู้จะพักที่ไหน ที่พักเป็นไงก็ไม่รู้อาหารการกินก็ไม่รู้เหมือนกันแถมห้องน้ำต้องไปรอคิวกันบางทีห้องหนึ่งเนี่ยรอคิวแล้วยี่0บสาสิบคนคือมีวิถีชีวิตก็ค้างอึดอัดต้องแย่งกันหลังจากเดินทํามประตาจบเนี่ยกลับบ้านเน่ยโอ้โหรู้สึกมีความสุขเลยอจากตัวผู้พูดก็เป็นนะรู้สึกว่า ก, กุฏิเราเนี่ยสวรรค์เลยนะเมื่อก่อนเราไม่ได้มาแย่งห้องน้ำกับใคร กินก็อยู่วัดก็สบายไปธรรมชาติเนี่ยบางวันก็เดินโอ้โหเดินทั้งวันเดินจนเหงื่อหลายใครย้อยแล้วเราไม่รู้เลยบางวันไอคนที่เขาจัดเนี่ยมันคำนวณทางผิดไงาบางทีบอกสิบห้าโลซัดไปยี่สบสองยี่บสามโลก็มีแต่ทุกคนที่บ่นว่าเดินแล้วคุกทุกมากเลยเนี่ยก็กลับมาเดินอีกนะเพราะมันชอบอะมันมันมีอะไรบางอย่างที่แบบ วิถีชีที่ง่ายราบเรียบเงินก็ซื้อไม่ได้บางทีก็เดินผ่าป่าเงี้ยปกติปกติไปเดินไม่ได้นะไปผ่าป่าผ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเนะ่ยแต่ทํามยตาทําได้แล้วทําให้คนที่เดินเนี่ยร่วมเดือประทับใจมีทั้งเด็กคนแก่เงี้ยพอเขาประทับใจเขาก็อยากมาเดินอีกอยากมาคบเป็นแฟนพันแท้เลยพอทํามยตาพักไปสองปีเนี่ยก็เครียดอีกอยากจะเดินท่านฝันสูขขงคนเรามีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็น ก็อย่างที่อาจารย์เขาพูดเมื่อไม่ <ọi> <บอ>กี่วันก่อนบอกผู้หญิงคนหนึงเขาอวยพรวันเกิดเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้อวยพรให้เธอมีความสุขนะอวยพรเห็นความสุขเพราะความสุขมีมีมีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเองเราก็เลยทุกแทนหรือย่างหนึ่งความทุกข์เนี่ยถ้าเกิดทุกเป็นนา น, านจนชินเนี่ยมันละกยย็กลายเป็นความสุขได้นะมียายอยู่คนหนึ่งแก่แก่แล้ว หน้าตาเหี่ยวย่นแต่ใบหน้างแกเนี่ยจะมีรอยยิ้มตลอดเวลาเลยก็ชื่อว่ายายิ้มบางคนเรียกญาตยิ้มเมื่อประมาณปีห้าสามคนทุคนคนเนี่ยเขาไปทำสารคดีของยายิม้มตอนนั้นยายก็อายุแปดิบสามแล้วยายิม้มจะมีวิถีชีวิตที่ โ, โหลำบากมากเลยบ้านก็อยู่กลางกลางป่าไฟก็ไม่มีนาฬิกาก็ไม่มี บ้านที้อยูส่สร้างไม่เสร็จนะเป็นบ้านที่แบบแถวแถวบ้านใหม่ก็อาจะมีบางหลังนะที่สร้างไม่เสร็จเอาฝามาติดไว้เวลาฝนศาสตร์เข้ามาเนี่ยก็กันฝนไม่ได้บ้านก็ไม่แข็งแรงแล้วบ้านแก่ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่มีถังอยู่ไม่กี่ใบมีจอบแล้วก็เสียมแล้วก็มีอิโต้ย่ายิ้มมีคนที่ใช้วิสันโดดมากถึงวันพั้นเนี่ยก็จะเดินไปถือศีลที่วัดระยะทางประมาณ8กิโล เดินกระย่องกระแย่งไปทางที่ไปวัดเนี่ยทำให้อาลามานึกถึงภูหลงนะไม่ใช่ไม่ใช่ข้า ง, างหน้านะข้างหลังเพราะจะมีทางแบบแรลลี่ขึ้ น, นลงๆบางทีก็ต้องข้าไปทางเฉื่อแฉะก็มีสารคนแกไปอีสามเนี่ยโอ้ถือว่าลำบากแกก็เดินแกไปจนได้ไปถึงวัดก็ไปรักษาศีลก็จะมีโยมลูกๆหลายมาต้อนรับบางครั้งแกก็ต้องนาของ ที่คนมาให้อะล่ะมันจะเป็นเข้าวสารหรือของใช้บางอย่างขึ้นไปด้วยกท็ทาให้หนักขึ้นไปอีกบ้านของยายิ้มเนี่ยรถเข้าไปถึงกายไปอยู่หังแกก็ต้องพึ่งตนเองทุกอย่างเลยคือข้อขั้นลำบากต้องช่วยเหลือตัวเองยายิมมีความขยันนอกจากช่วยตัวเองได้แล้วโดยไม่พึ่งลูกหลานแล้วนะแกยังปลูกต้นไม้แกปลูกได้เก้าพันเก้าร้อต้นนะปลูกให้ในหลวงแล้วก็ทําฝายน้ํา ฝายน้ำมีการทำต้องสิบหกแห่งสิบหกขวายอันมาดูดวีดวีโอที่แกทําฝายน้ําเนี่ยโอโ้โหลำบากคนแกเนี่ยแกต้องเอาเอาอิโต้เนี่ยไปตัดต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยก็ไม่ใช่ไผ่เล็กเท่าไหร่หรอกแต่ไม่ใหญ่กลางๆนะพอตัดเสร็จทีนี้ไผ่มันตัดยากเลยต้องดึงอดึงคนแก่แรงก็แบบเขาจะมีแล้วต้องลากไผ่เพราต้องไกลนะแล้วก็มาปากักแล้วก็ขุดดินบางทีสูงเท่าหัวแกฝายน้ําแต่ละอันที่ทํามันยากลาบาก โอ้แต่แกก็มีความมานะุตมณธรรมไอ้ยิ้มเป็นคนมีเมตตาอาหารที่เหลือเนี่ยบางครั้งก็นําไปให้ปลาผู้จับเพาะด้วยลูกมากินนะอะไรเงี้ยเอาไปโยนให้ในหนองน้ําเนี่ยคือจะเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยเงินที่ได้จากเบี้ยคนชราห้าร้อยบาทเนี่ยแกก็ให้วัดหมดเลยหรือคนให้แกแกก็ไม่เก็บก็ให้ให้วัดให้หมดตัวเลยนะเป็นคนจิตใจดีมากและชีวิตก็ค่าสันโดษ ก็มีคนไปถามแกยายอยู่บางครั้งฝนตกเนี่ยยายลงไปเอาข้าวไว้ได้เนี่ยยายทําังไงยายยายอิ่มไหมแกก็บอกบางครั้งกินไม่อิ่มหรอกแล้วยายทํำยังไงแกก็บอกบางทีแกก็ขุดพวกกอยนี่แหละเอาไปกินแล้วมันไม่ไม่ลาบากหรือยายก็ยายก็ตอบว่าก็มันเคยเสร็จแล้วหนา อา้าวแล้วยายเวลาเดินไปที่วัดเน่ยฝนตกยายตัวเปียกเนี่ยทำไมยายยายถึงทนได้ยายก็บอก<ๆ>ก็มันเคยใช่แล้วหนาหมอที่แกหุงข้าวเนี่ยมีรูรั่วบางทีก็ต้องตะแคงนะแกะบอกก็เคยใช่แล้วหนายายยิ้มแกชีวิตโอ้โหอาตมาดูวิดีโอคลิปแกสองตอนนะวีดีโอเขาตั้งชื่อว่ายายยิ้มเยอะยากสี่ยอ ดูแล้วเกิดกำลังใจและ ว, ว่าคนแก่เนี่ยอายุ83อยู่กลางป่าลึกคนเดียวซึ่งลูกหลานแกก็ให้ไปอยู่นะแกไม่ยอมไปแกรักธรรมชาติต้องการใช้วิถีธรรมชาติแล้วแกก็เตรียมตัวตายด้วยนะพร้อมจะตายมีธรรมะนะไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนขยันคือถ้าใครหมดกำลังใจท้อแท้เนี่ยแนะเลยให้ไปดูวิดีโอยายยิ้มเยอะยากเนี่ย รับรองมีกลังใจแน่นอนตอนนั้น8ปดสิบสามอันมาดูอีกตอนหนึ่งแกก็แปดสิบแปดแล้วตอนนี้ยายยิ้มฐานะเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าออกสารคดีคนล้นคนเนี่ยคนก็พยายามทำทางเข้าบ้านแกเพื่อรถจะได้เข้าได้ไนงะแล้วก็เอาของมาให้อยู่เสมอเดี๋ยวนี้กลายไป็อยู่แกดีขึ้นบ้านเนี่ยเขาก็มาสร้างให้เสร็จเดี๋ยวนี้กันฝนได้แล้ววิถีวิถีของยายก็เปลี่ยนไป แต่ยายก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะยายก็ยังขยันเหมือนเดิมแกอาบน้ําเนี่ยแกก็อยู่ใกล้ๆกับผู้ต้นไม้ที่แกปลูกแกรักต้นไม้มากแกก็เอานะใช้น้ําอย่างประหยัดมากเลยนะแล้วน้ําเนี่ยก็ต้องสาดไปที่ต้นไม้เมื่อจะเป็นทำอะไรแล้วแต่แกใช้อย่างประหยัดจริงๆข้าวเนี้ยกินกินไม่เยอะนะบางทีกินทั้งหลายวันเนี่ยพวกกับข้าวเนี่ยเพราะวกก่าแกอยู่คนเดียวไงบางทีอาหารแห้งปลายแห้งหรือผักอะไรบางอย่างเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็มีเมตตา ความเมตตาของยายิ้มเนี่ยทให้ลราโอ้โหยิ่งกว่าพระอีกบางทีมีแต่คิดเรื่องดีๆันเลยไม่ทุกข์เลยยายิ้มมีความสุขตลอดอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็หายากเลยนะคนอย่างยายิ้มเนี่ยในโลกนี้จึงนำมาเล่าให้ฟังความเคยชินบางครั้งเนี่ยมันก็ก็ดีนะทำให้เราเนี่ยทนกับความยากละบากได้ผ่านอุปสรรคได้แต่บางครั้งก็ไม่ดีเหมือนกันความเคยชินบางอย่างเนี่ย อย่างมีชายอยู่คนหนึง่งกคมีปัญหามีแก๊สในกระเพาะคือตดบ่อยเ็ยปรึกษามหมอบอกว่าเนี่ยตัวเองผายลมทั้งวันเลยแต่ไม่มีปัญหานะคือไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่ก่อความราคาญให้ใครแต่รู้สึกราคาญจึงมาหาหมอเนี่ยหมอนี่ก็ดั้งฟังอยู่ด้วยสีหน้าที่แบบอธิบายยาก แต่ก็ตั้งใจฟังชายคนนี้ก็บอกเนี่ยผมผาโรงไปหลายครั้งแล้วเนี่ยเห็นไหมหมอมันมีปัญหาอะไรสักพักหมอก็จ่ายายาให้คุณทญญานยาที่หมดแล้วมาหาหมอหมอใหม่น ะ, ะชายเดี๋ยวกลับไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปมาถึงคลินิกเขก็โวยวายเลยหมอเอายาอะไรผมกินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตดของผมเนี่ยมันไม่เหม็น ไม่มีกลิ่นตอนนี้เหม็นมากเลยหมอหัวแล้วชอบใจบอกยาที่หมอให้ไปได้ผลแล้วทำให้คุณสามารถรับรู้เรื่องกลิ่นต่อไปต้องเอายาไบกินเพื่อให้รับรู้เรื่องเสียงความเคยชินมาหากระักปัญหานะอย่างเคยชินกับความดี อย่างบางทีลูกเนี๋ยเคยคิดกับความดีของพ่อแม่ไงพ่อแม่ดีกับลูกยังไงร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยบางทีลูกก็มีความคิดพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ต้องทําความดีต่อเรารับเลี้ยงเราซื้อของกินมาให้ซื้อเสื้อผ้าพาเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ไงแต่วันใดที่พ่อแม่เนี่ยดุด่าว่ากล่าวลูกหรือขัดใจเนี่ย ลูกจะจำไม่ลืมเลยใน จ, จำเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทําไม่ดีกับเราแต่ความดีที่พ่อแม่มันลืมหมดเลยคนรักก็เหมือนกันคนรักเนี่ยบางทีสา ม, มีดีกับภรรยาร้อยครั้งบันครั้งหมื่นครั้งภรงรยาก็มีมิจารณือว่าเฮ้ยหน้าที่สามีต้องดีกับเราวันไหนที่สามีขัดใจหรือทําไม่ดีดุด่าว่าหรือทะเลาะกันเนี่ยเขจะจำเผลอเลิกกันเลยก็มีคนเรามักไปอย่างนี้ความเคยชินบางด้าน ถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์ความเคยชินอดทนต่อความยากลาบากหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมถ้าคนไม่อดทนเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเพราะมันมีอุปสรรคมากมายเลยอย่างมาฝึกสติเนี่ยก็ต้องทนกับนิวรณ์ต่างๆง่วงเหงาเหงานอนทนกับกิเลสความเคยชินในอดีตบางครั้งยกมือยกมือก็ไม่ขึ้นเดินยังกกมตีนก็หนัก ยกมือไปฟาร์มคีตก็บอกให้เลิกเยอะไปทําอย่างอื่นดีกว่าฉะนั้นอุปสรรคยเยอะๆการทํางานก็เหมือนกันคนทํางานงานบางอย่างก็ไม่มีอุปสรรคในะงานที่เกี่ยวกับส่วนรวมมักมีอุปสรรคให้ตามแก้อยู่เรื่อยถ้าเกิดคนที่ทำเนี่ยจิตใจท้อแท้หรือไม่คนที่อดแอร์เนี่ยมันเลิกนะมันทำไม่ได้หรอกยิ่งทํา ง, งานเกี่ยวกับส่วนรวมงานที่ใช้ความสามารถ หรือการที่สาคัญเนี่ยมักจะมีอุปสรรคเสมอคนที่ประสบควาสมสำเร็จได้เนี่ยหรือทําระยะยาวได้จะต้องไม่ยอมแท้กับอุปสรรคนัำอุปสรรคอาเป็นครูมาแก้ไขพัฒนาตนเองความเคยชินใช้ดีจึงเป็นประโยชน์แต่ละชินไม่เป็นก็เป็นโทษอย่างยุคโควิดเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่คนเห็นทุกข์กันมากเลยแต่บางคนก็ประสาดเสียเพราะวิตกกังวลเกินเหตุ ควิดท้ายวิสียิัคนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบางก็มีความอดทนมากขึ้นใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบไม่เคยเป็นมาก่อนต้องปรับตัวแต่บางคนก็เครียดจะทนไม่ไหวฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะว่าบางคนเนี่ยรายได้ก็หายไปการงานก็ลาบากตกงานเศรษฐกิจ ก, ก็ไม่ดีบางคนยอมแพ้ชีวิตไงแต่บางคนก็ไม่ยอมแพ้ก็สู้ต่อไป ผู้พูดเองก็รู้สึกต้องปรับตัวกับโควิดเหมือนกันนะเพราะว่าปีเนี้เหมือนจำพรรษานานมากเลยตั้งแต่เดืนอนมกราเนี่ยเข้ า, ามมพรรษามีความสุขไม่ได้จำพรรษานะเพราะว่าเราเราอยู่วัดมาต้องแต่เดือนทั้งปีอไม่ได้ไปไหนเลยนอนวัด ท, ทุกคืนทุกคืนทุกคืนซึ่งไม่เคยไปมาก่อนเมื่อก่อนยังไปไหน ไ, ได้บ้างเดือนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้แม้แต่ลงไปแร่ภูมิแม้กระทอยังลำบากเลยต้องเฝ้าวัดแล้วก็ปรับตัวใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งมันก็อยู่ได้นะคือแล้วมันก็จะผ่านไป แต่ไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้นานหรอกมันเป็นทุกขงังที่จางรัตตาเดี๋ยวโควิดก็หายไปโควิดหายชีวิตคนราล ก, กลับมาเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนก็คือทําให้คนเนี่ยมีบทเรียนมีประสบการมากขึ้นเกิดใช้ชีวิตกันแบบระมาราาัดระวังคืออาจจะมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นไงอาจจะล้างมือใช้ของส่วนรวมระวังขึ้นหรือบางคนอาจจะกินเล่นน้อยลงก็ได้เพราะไม่ได้ไปไหนนานมากแล้วห้างก็ไม่สาคัญลงหนังก็ไม่สาคัญ กินอาหารอร่อยหรือพวกปะกผู้คนเนี่ยบางคนปรับตัวได้ตอนหลังก็จะจืดไปอารมณ์ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนสิ่งที่เราชอบเนี่ยถ้าเราเราเสพไปบ่อยเราก็เบื่อนะอย่างเพลงก็เหมือนกันเราฟังเพลงที่เรเองชอบเนี่ยซ้ําไปซ้ํามาเปิดหลายๆรอบเลยก็ได้อย่างเราชอบเพลงอะไรแล้วก็เปิดไปเพลงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วกินอาหารที่ชอบหลายมื้อซ้ําไปซ้ํามาเดี๋ยวมันก็เบื่อทุกเรื่องที่เราทําเนี่ยเดี๋ยวมันก็เบื่อ เพราะจิตมันชอบหาอะไรแปลกๆ ใ, ใหม่ๆอยู่เสมอก็เลยทำให้คนเราทุกขนะ์ไงแล้วหาทางออกอย่างเรื่องที่ผู้พูดเล่านะ่ะเมื่อจะเป็นเรื่องนัตูดินอย่ายิ้มแกอยู่ออกับฟาร์มทุกยากไนงะจนชินแล้วก็จิตใจแกเป็นปคนดีมีเมตตาฝาลําลำบากของแกเนี่ยก็เลยทำให้เกิดพลังสามารถผ่านอุปสรรคได้เพราะมันไม่มีอะไรลำบากกว่านี้แล้วหาคนลบากเท่าให่ยิย้มก็ยากนันฟายากลำบากถ้าเรา ไม่ยอมแพ้ถ้าเราผ่านได้จิตเราก็เกิดกำลังมีกำลังใจสู้ชีวิตเจออุปสรรคอะไรล้วก็ไม่ย่อท้อก็สามารถผ่านไปได้อันมาพูดมาก็าเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกคนมีเมตตาแบบยายยิ้มมีกำลังใจสู้ค ว, วามลำบากได้แบบยัยยิ้มด้วยเถอะเอวัง